ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเซมหรับตอนนี้เป็นตอนที่19บเ้อเรื่องการหนีนรกการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกเป็นตอนที่19แต่ก่อนที่พูดถึงวิธีการปฏิบัติโดยทัท่วไปข อ, อนําบทสรุปมาพูดกับบรรดาท่านพุทตบริษัทเสียก่อนการหนีนรกจริงๆในเบื้องต้น ก็ใช้อารมณ์สามอย่างคืออารมณ์ตัดสัยชาณสามรายการคือหนึ่งสกายิทิฏฐิสองวิจิกิจชาสามชิรพตปรามาตสำหรับอารมณ์โอสกายาิทิฏฐินั้นมีความเห็นฝืนจากความเป็นจริงคือว่าไม่ยอมนึกถึงความตาย หรือว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้มันจะตายถ้ามีอารมณ์อย่างนี้เป็นเป็นอารมณ์ของปะโสดาบันกับสกิทาคามีถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายไอ้ที่พูดเมื่อกี้นะี่นะเป็นอารมณ์ฝืนจากอารมณ์ของปัโสดาบันกับสกิทาคามีถ้าเห็นว่าร่างกายีนสะอาดสวยสดงดงามน่ารักน่าชม ข้อนี้อารมณ์ที้ฝืนกับอารมณ์เขาว่านาคามีถ้ามีความเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์อย่างนี้ฝืนกับฝืนกับอารมณ์ของพระอรหันต์ถ้าเราจะตัดติทําทแบบไหนอันดับแรกจริงๆแล้วเราก็แก่สกายะทิปปิ ที่มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงทำใจมาเห็ น, หนถูกการเห็นถูกตามความเป็นจริงก็เพราะว่าตัวอย่างมีมากคนก็ดีสัตว์ก็ดีเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตายเป็นของไม่แน่นอนในเวลาตีไปผูตุณพระเจ้าทรงตัสว่า เธอทงหลายความชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงและเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้พระองค์ให้คิดว่าความตายอาจจะมาถึงเราวันนี้ไว้เสมอในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงตัดกับพรอ้อนน์ถามพระอนน์ว่าอา น, านันท์พระดูก่อนอนน์เธอคิดถึงความตายวั น, นกี่ครั้ง ความจริงเวลานั้นพระอนุนท่านเป็นประโสดานันพระอนุนกราบทูลองค์สมเด็จพระพุทธกวันว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันประมาณเจ็ดครั้งพระเจ้าข้าพระพุทธเจา้าทรงตัสว่าอา น, านันทะดู ก, ก่อนอนุน์ความรู้สึกนึกถึงความตายวันในเจ็ดครั้งนี่ห่างเกินไปแต่ทาโคตเองนึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออก นั่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ไว้ใจชีวิตทรงคิดเสมอว่าชีวิตอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ไม่ให้ใจออกก็ตายให้ใจออกแล้วไม่ให้ใจเข้าก็ตายชีวิตของเราจริงๆอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเองให้มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นลมแรกที่เราเข้าจะเข้าไปตัดรกแต่ ว, ว่าหนีนรกให้พ้น ต่อไปเมื่อเราคิดว่าวันนี้เราอาจจะตายเราก็สร้างความดีความดีอันดับแรกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์เป็นการแก้อารมณ์ของสันโยต์อารมณ์ของสันโยชต์ข้อที่สองที่เรียกวิจิกิจฉามีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ดี พระธรรมอาจจะไม่ดีพระอริยสงฆ์อาจจะไม่ดีแต่เราก็ใช้ปัญญาเข้าเจนนาความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระองค์ไม่ก็ไม่ต้องดูคำสรรเสริญที่เขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่ยอมฟังเรามองดูผลของท่านที่ตรัออมามในพระธรรมคำสั่งสอน เตีย ว, ว่าการตัดนิสนรกเบื้องตนเราก็ยังไม่ใช่อารมณ์กว้างใช้แค่พิจรารณาสินห้าว่าการละเมิดสินห้ามมันดีหรือมันเลวมีความสุขหรือความทุกข์มีความเยือกเย็นหรือความเราร้อนถ้าปฏิบัติตามสินห้าได้จะมีความเยือกเย็นหรือมีความเราร้อนหรือมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็จะเห็นว่าทุกคน รักชีวิตของตนในสิ่งข้อที่หนถ้าไปทำลายเข้าเขาก็ไม่ชอบเราคิดทำลายเขาเขาก็คิดทำลายเราเป็นของไม่ดีนีแต่ความเดือดร้อนในเมื่อสร้างศัตรูทรัพย์สมบัติของบุคคลใดก็ตามจะมีการหวงหแหนเมื่อการหาทรัพย์สมบัติมาด้วยยากก็ปรารถนาจะใช้สอยตาลําพัง ไม่ต้องการก็ต้นงไม่ต้องการให้ใครมายืดย่งทรัพย์สมบัติของตนไปเราถูกเขาแย่งทรัพย์เราไม่พอใจขนาดไหนเขาถูกเราแย่งเขาก็ไม่พอใจขนาดนั้นเหมือนกันสามีและภรรยาต่างคนก็ต่างมีความรักต่างคนก็ต่างมีความห่วงเหนถ้าเราไปละเมิดสิทธิของเขาเขาก็ไม่ชอบ หรือถ้าเขามาระเบิดสิทธิของเราเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันวาจาใดที่กล่าวออกไปถ้าเราฟังวาจาเท็จเราก็ไม่ชอบถ้าเราพูดเท็จกับคนอื่นคนอื่นเาก็ไม่ชอบเหมือนกันการที่เป็นคนไร้สติสมปชัญยะไม่มีสติมัวเมาหรือสติ ทำตนคลายขนบ้าอย่างนี้ใครๆก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบรวมความเมื่อเราก็เป็นคนดีหนึ่งมีใจดีมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วก็มีอารมณ์สันโดษทั้งหมดทั้งสามรายการนี้สามารถควบคุมศีลได้เราก็เป็นคนมีความสุขเรื่องนี้ขอเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ต่อไปก็จะพูดถึงสซึ่งกรรโหนดสิบราการกำหนดสิบราการข้อที่เก้าที่เรียกว่าพยาบาทพยาบาทได้การจองเวรจองกรรมจองล้างจองผลาญจองความโกรธเขาไว้อ ข, อขึ้นขังขังความโกรธไว้นานๆคิดทำลายทุกอย่างให้พินาฏไป ใครที่ทำให้เราใจเราไม่ชอบเราจะฆ่าเขาบ้างเราจะก่งแกล้งเขาบ้างจะคิดประทุษร้ายเขาบ้างอย่างนี้เปรอารมณ์ที่มีแต่ความเลวร้อนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์มงครราาณ ง, ณงต้องไปสู่บายภูมิมนรกเป็นต้นเพราะกำลังใจสั้มหมองโรงทรงตรัสว่าถ้าต้องการจะหนีนรก ให้กลับอารมณ์เส้ยใหม่ไม่คิดว่าการเกิดของเรามาการจะทำให้ถูกใจซึ่งกันและกันเสมอไปย่อมไม่มีเราทำดีแต่คนเลวก็ไม่ชอบเราทำเลวคนดีเขาก็ไม่ชอบวันดีเราสร้างความเลวคนเลวก็ไม่ชอบเหมือนกันอย่างนี้ก็มีการนี้จะทำให้ถูกใจกันเสมอไปย่อมเป็นไปไม่ได้ เป็นตามธรรมดาของชาวโลกฉะนั้นคนที่ไม่ถูกทำไม่ถูกใจเราเราก็ต้องโกรธในเมื่อเรายังไม่เป็นระอนาคามีแต่ก็ตัดสินใจว่าความโกรธนี้จะไม่ยอมโกรธนานคิดให้อภัยกับคนที่มีความผิดคิดว่าทุกคนที่ทำไปทำไปด้วยความหวังดี แต่ว่าที่เป็นอย่างนั้นกับวิวัฒาศัรทิกรรมที่เป็นอกนุศลคือความชั่วในชาติก่อนที่เขาทำไว้เข้ามาโดนใจเป็นปัจจัยเขาสร้างความไม่ดีให้เราไม่ชอบใจอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามนีทรงตรัส ว, ว่าทารงับอารมณ์ความโกรธ ด้วยความเจ็บบาดจะได้กําลังใจก็จะเต็มไปได้วยความผ่องใสคนที่มีความโกรธง่ายและขังความโกรธไ ว, เ, วเร็วทั้งจิตใจก็ดีทั้งร่างกายก็ดีสุดสมงายจิตใจก็เต็มไปได้วยความร่าเรอนมีแต่ความกังวลกังวายหาความสุขใจไม่ได้ ถ้าเราคิดอยากจะฆ่าเขาคิดอยากจะทำลายเขาแล้วก็วางแผนวางแผนว่าคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ยังไงจะไปทางไหนเมื่อไหร่จะอยู่กับที่ที่ตรงไหนทางเข้าทางออกที่จะประหัตประหารชีวิตเขาทำไการใดก็วางแผนแตนามหน้าความโกรธวางแผนคิดประทุษร้ายเขาคนวางแผนแนัน้นระบาดท่านพุทธบริษัท จะมีร่างกายสุดโทมก่อนดีไม่ดีก็ตายไปก่อนเลยท้งนี้เพราะอะไรเพรววาะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นคิดอยากจะบาดประหารเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนจะนอนสงัดแทนที่จะหลับก็คิดอยากจะประทุษรลายเขาด้วยความโกรธจะทำแบบไหนจึงทำเขาได้ ถ้าทำแบบไหนเขาจึงจะไม่รู้ทำแบบไหนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจึงจะไม่ทราบจะไม่ถูกลงโทษเจรจ า, าบ้านเมืองคิดอย่างนี้ดึกแสนด็กก็นอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับถึงเวล า, าหายน ก, ก, กินอาหารไม่ได้ร่างกายก็เริ่มทรุดโทรมไปตามลำดับเนื้อแท้จริงๆคนที่ถูกเราโกรดเขายังไม่รู้ตัว เขาก็ยังกินอิ่มนอนหลับเราแย่ลงไปแล้วนี่ในปัจจุบันบรรดาแต่พุทธบริษัติสนหลายความโกรธไม่ดีแบบนี้และนอกจากนั้นคนมากโกรธก็มีศัตรูมากถ้าเราโกรธ ค, น, น, ค, ร น, ค น, น, นคนหนึ่งคิดประทุสรายบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม้ใช่วาจาจ่งจากเพื่อความโกรธให้เขาสะเทือนใจก็ดี ตั้งใจจะประทุษร้ายเขาแต่ทำไม่ได้ก็ดีถ้าฝ่ายนั้นรู้ตัวเมื่อฝ่ายตรงกันข้ามรู้ตัวเขาก็ไม่ชอบใจเราเราก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นม่อีกหนึ่งคนถ้ามีศัตรูขึ้นมาหนึ่งคนนี่บรรดาท่านพุทธบริัทธจะนั่งก็ไม่เป็นสุขจะนอนก็ไม่เป็นสุขจะยืนก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุข ทางนี้พ่อะไรเพราะเกรงว่าศัตรูจะเข้ามาประกาศประหารมาทำร้ายเราได้เมื่อบุคคลคนหนึ่งเขาเป็นศัตรูกับเราเราเประกาศตนเป็นศัตรูกับเขาและบุคคลคนนั้นไม่ใช่คนเดียวในโลกเขาไม่ใช่เกิดมาจากลมหรือไม่ใช่เกิดแบบอนุมานเป็นลูกลมและไม่ใช่ผู้เกิดขึ้นตามลำพังอย่างเทวดา คนเดียวเกิดมาที่ต้องมีพ่อมีแม่แล้วก็อาจจะมีพี่มีน้องติดตามมาด้วยถ้าเขาไปเราเป็นศัตรูกับเขาหนึ่งคนคนนั้นเขาไม่ชอบใจเราคนในตระกูลของเขาในครอบครัวของเขาทุกคนจะไม่ชอบใจเราเหมือนกันเปน็นนเราเพิ่มศัตรูจากบิดามารดาเขาคนนั้นพี่น้องเขาคนนั้น ในญาติสนิใทใกล้ชิดเขาบุงคลนั้นเขาจะพยยลอยโกรธเราไปด้วยศัตรูพวกเราไม่ใช่หนึ่งคนแล้วการระมัดระวังตัวก็ยากขึ้นนอกจากญาติของเขาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาก็ยังจะมีเพื่อนที่รักของเขาอีกเพื่อนที่รักของเขาเขารักเพื่อนของเขาในเมื่อเราไปกัดตนเป็นศัตรูกับเพื่อนของเขาเขาก็โกรธเราเหมือนกัน เขาก็เป็นศัตรูกับเราเหมือนกันรวมความว่าเรามีศัตรูรอบด้านการอนามิตวังก็ยากยิ่งขึ้นในเมื่อการวางแผนร่างกายก็สดโทมการต้องระวังตัวต้องระวังมากขึ้นการกินไม่อิ่มนอนไม่หลับก็เพิ่มขึ้นเพราะเกรงอันตรายจะเข้ามาถึงไม่ทราบว่าใครเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนจะเป็นศัตรูกับเราบ้าง อย่างนี้เราทั้งบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่ากําลังของความโกรธได้เป็นของไม่ดีนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริศาสรรดาสัมมาทัตพุทธเจ้าส่งตรัสว่าจิตเตสังขีเททุกติปารถีกัขงขาก่อนจะตายและจิตใจเศร้าหมองจะเป็นโสทุกติมีนรกเป็นต้น จิตเตปาริสุเทสุปติปราริคังขาแต่ก่อนจะตายจิตใจน้อมเป็นด้านของกุศลบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทำและนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ทําพร ะ, พระอริยสงฆ์ก็ตามจัดว่าเป็นจิตผ่องายอย่างนี้ไปโศสุสติมีสวรรค์เป็นต้นก็คนมักโกรธเมีมเ่อมเศร้าหมองอย่างนั้น ถ้าตายจากความไม่คนจะไปไหนก็ต้องไปนรกถ้ากโกรธใหญ่เป็นนรกขุมใหญ่โกรธเล็กเป็นนรกขุมเล็กถ้าไม่โกรธใหญ่ไปโกรธเอาคนดีเข้าอย่างโกรธพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างเทวทัตโกรธพระพุทธเจ้าตายแล้วไปไปอเวจีมานรกเลิกโกรธพราะเราหันเข้าตายแล้วไปอเวจีมานรก โกรธพ่อโกรธแม่คิดจะบาตรประหารท่านตายแล้วไปอเวจิมานรกเพราะทั้งหมดนี้เป็นบุคคลที่มีคุณใหญ่เขาเรียกว่าโกรธใหญ่รวมความว่าโกรธบุคคลดีที่มีคุณกับโลกหรือมคีคุณกับสังคมและมีคุณกับมีคนกับเราอย่างนี้ชื่อว่าโกรธใหญ่โทษก็ใหญ่ตามถ้าโกรธเล็กหมายถึงว่าโกรธคนที่มีความชั่ว อย่างโกรธขโมยขยโจรเป็นต้นอย่างนี้เราก็ต้องตกนรรคไว้กันแต่ตุนรกขมเล็กหน่อยอายุน้อยหน่อยรวมความว่าความโกรธเป็นของไม่ดีคนมักโกรธยิเป็นคนไร้เสน่ห์บรรดาแต่พุทธบริษัทที่ตอนนี้ตอนที่สิบเก้าดีหน้ากูจะว่าคาถามหาเสน่ห์อีกแล้ว ในเมื่อความโกรธไม่ดีไม่มีเสน่ห์ขามรนดาแทนพัสดบริษัทผู้รับฟังโรใคร่ควร ใ, ใจของท่านเองว่าคนที่โกรธท่านอ่ะท่านจะรักหรือท่านจะไม่รักเราไม่เอาทั้งเกลียดกันละเอากันรักหรือไม่รักก็แล้วกันอาตมาคิดว่าคนมักโกรธห้าตายุย่ี อาการที่แสดงออกก็ไม่ดีไม่น่ารักเข้าใจว่าคนหลายคนไม่รักคนมักโกรธอะไรไม่ถูกใจนิดอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็โกรธคนประเภทนี้หาเพื่อนยากหาคนรักยากเรา ม, มาสู้เราฝึกการไม่โกรธกันไม่ได้การไม่โกรธพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เฉพาะผิวเผิน ก็คือพรมิหารสี่เราทรงคุณธรรมสิบราการเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่นดี๋ยถามว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีคาถามหาเสน่ห์ด้วยหรือได้พูดมาตอนต้นแล้วว่าพระนี่มีคาถามหาเสน่ห์มากในคาถามหาเสน่ห์นี่เรียนมาจากองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้า ถ้าพระพุทธเจ้าเองก็มีปัหาเสน่ามากหนักที่สุดเจนว่าในสมัยที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์กำลังประ ก, กาศพระาศาสนาอยู่เป็นธรรมดาท่านพุทธบริษัตยคนเราที่เกิดมาต้องมีคนเกลียดคนเกลียดพระพุทธเจ้าก็ไม่น้อยแต่คนรักพระพุทธเจ้ามากกว่าคนเกลียด รักไม่รักเปล่าถามมีความเคารพนอบนอบด้วยไม่ยอมรับท่าเถือเ่อนต่อไปการทั้งปวงจะไปที่ไหนที่พักเขาจะให้ยอย่างสบายที่สุดอาหารการบริโภคจัดสรรอย่างดีที่สุดสถานที่อยู่สร้างให้ได้ค า, านับเป็นสิบโกดเยอะสร้างกันเป็นโกดๆเลยไม่ใช่ร้าน่ะ นั่นเพื่อความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระพุทธเจ้าท่านมีอะไรท่านมีพระมหากราุณาธิคุณคําว่ากราุณาได้มาจากสงสารท่านมีความสงสารบรรดาเวนยสัตว์ขอโทษบรรดาประชาชนทั้งหลายล่อเวนัยสัตโโ ว, ชชว์เข้าอยากลายเป็นสัตว์นรกไป คือท่านโงสารหมดใต้แดนสัตว์นรกเปรอตอสุรกายสติฉ า, านม น, นุษย์เทวดาและผมท่านสงสารทั้งหมดถ้าใครก็มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลได้และมีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสัยที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือได้ถ้าเสด็จไปทันทีอยาที่เป็นอย่างนี้พระมหาโมนีจะมีคนรักมากมีคนเคารพมาก ต่อมาสำหรับบัรดาภาษาพวกทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงแนะนำว่าท่องการคนมีเป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลายก็ให้ใช้คาถามหาเสน่ห์สี่อย่างใช้สี่คำใหม่แล้วหนึ่งเมตตาความรัก สองกรุณาความสงสารสามมุตตามีจิตอ่อนโยนมีช้าที่เสียไข่เห็นไข่ได้ดีก็ปลรอยยินดีด้วยสี่อุเบกขาวางเฉยสำหรับคาถาทั้งสี่รายการสี่คำนี้ไม่ใช่ไปท่องจำหรือ ว, ว่าท่องและก็เป่ามน เห็นใครมากระเป๋าพวดใครมากระเป๋าพดูดต้องการเน้เขามีความรักต้องการเขามีความสงสารอย่างนี้ไม่มีผลผลที่จะได้จริงๆก็คือคนนั้นจะเกรียเอาไม่เกิดประโยชน์คาถาทั้งสี่ประโยชน์ทั้งสี่คำนี้ต้องปฏิบัติใช้วิธีทำทเสน่กันเลย ไม่ใช่ว่ากระถาเป่าเสน่ห์ทำเสน่ห์ทำกระจริงจรงจังทำทั้งกลคืนทำทั้งกลวันขณะใดที่ที่เปลี่ยนอยู่ทำตลอดเวลาวิธีทำท่านยังไง่าปั้นความรักปั้นความรู้สารเอาวัตถุมาปั้นมันก็ไม่ถูกไม่มีผลต้องปั้นกำลังใจ กำลังใจของเราตามปกติมันก็รักมั่งโกรธมั่งโสงสารบั่งเกลียดบ้างอย่างนี้เป็นต้นเห็นใครได้ดีบางทีก็ยินดีด้วยบางทีเห็นเขาได้ดีเราก็ไม่ชอบใจบางทีเห็นใครก็เพี้ยงพรำเราก็ซ้าเติมบางคราวเห็นว่าเสี่ยงเพี้ยงพรำเราก็สงสารยับยั้งไม่ซ้าเติม ของเราไม่เอาแน่ไม่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้อคนที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกสัจดาตรัสว่ายังเป็นอนิจจตวัวคลยังเป็นคนที่ไม่แน่นอนเจติว่ารักจริงก็ไม่ได้สงสารจริงก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียดจริงก็ไม่แน่ บางทีตอนเช่ารักตรงสายเกลียดเสแล้วบางทีตอนเช่าเกลียดตรงสายรักเสแล้วมันก็ไม่แน่นอนต้องสร้างความแน่นอนให้เกิดขึ้นกับใจคือใช้รมความรักมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเราก็ดีคนอื่นก็ดีต้องการความเป็นมิตร ไม่มีบุคคลใดคิดอยากจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันในการที่เป็นศัตรูกันนั้นก็นเพราะสายโมหจิตคิดหลงถือตัวเกินไปมีมณฑิทิเราก็วางมณาฑาิทิเสียไม่ถือตัวไม่ถือตนทำตนเสมอๆเหมือนกับเพื่อนท่านผู้ใดมีความมีอายุสูงกว่ามีความดีสูงกว่าแล้วก็ยอมรับทับถี เห็นหน้าสิ่งกันเองก็แสดงการยิ้มแย้มแจ่มใสรวมความว่าตลอด24ชั่วโมงเว้นไว้แต่เวลาหลับเราจะฝึกการยิ้มไว้ตลอดเวลาถ้าดีไม่ดีใครจะหลับยิ้มด้วยอย่างยิ่งดีใหญ่การฝืนยิ้มเขาพูดไม่ชอบใจก็พยายามนิ่งแล้วพยายามยิ้มฝึกบ่อยๆอาการมันชินบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้ายิ้มออกมาได้จะไม่กําลังใจอย่างโกรธแ้าความโกรธมันก็เบาสันหมายถึงการยิ้มมีความสําคัญมากคนที่สวยแสนสวยดีแสนดีรวยแสนรวยเด่นแสนเด่นแต่ยิ้มไม่เป็นสวยทุกคนไม่มีใครเขาอยากรักคนยิ้มไม่เป็นไม่พูดมาแล้วในตอนตอน้น เราก็ยิ้มเพิ่มความรักทำจิตใจให้รักเพื่อนรักเพื่อนเสมอที่ตัวเราถ้าเรารักเขาเขาก็รักเรานี่ขอพูดย่ อ, ยอเวลาได้สามนาทีต่อไปก็อารมณ์สงสารคือกรรณาความสงสารอันนี้ไม่มีความรักมาก่อนไม่รู้จักมาก่อนเห็นเขามีการทุกข์ยากลำบากม่กิจการงานแลววะวัตถุและอาหารก็ตาม ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราช่วยส่วนแมทส ม, มุทรเขาขายแครัพย์ผินด้วอาหารเราไม่มีรั์จะให้เราไม่มีอาหารจะให้แต่เราก็ช่วยพยุงไปดรวยชี้ช่องบอกทางว่าบ้านนั้นคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นเขาสามารถจะส่งเคราะห์ได้แลวถ้าเขาไปได้รับการส่งเคาราะห์จริงๆมันดาแต่พุทธบริษัทชายหญิง คนนั้นอาจจะอดคิดถึงเราไม่ได้เขาต้องรักเราเพราะเราสงสารเขาข้อต่อไปมุตุตามีจิตอ่อนโยนนี่สำคัญมากคือไม่ทำใจแข็งกระด้างไปที่ไหนก็ทำตนเสมอกับเพื่อนมีอะไรบ้างที่เพื่อนต้องการแต่เกินวิสัยเรานิดต่อยมันฝืนกำลังใจทำใจอ่อนโยนคล้อยตามก็เป็นทีละของเพื่อน นอกจากนั้นในี้ใครได้ดีก็พลอยยินดีด้วยไม่ชา้าจะเสียใครแสดงความยินดีด้วยความเต็มใจนี่ก็เป็นมหาเสน่ห์รวมความว่าทั้งสามข้อนี่เป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ใครทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ทําได้จะเป็นที่รักขบคลทั่วไปข้อที่สีอาเบีขาวางเฉยเห็นคนที่มีความทุกข์มีความยากมีความลําบากพยาการเที่ยงพร้มไม่ซ้ําเติม แทนที่จะซัำเติมกลับเข้าพยายามคประครองประคัปะปะบประคองถ้าช่วยได้ก็จะพยายามช่วยถ้าช่วยด้วยกําลังกายกําลังทรัพย์ไม่ได้ก็ใช้วาจาช่วยให้เขาชื่นใจเท่านี้แต่บรรดาแต่พระตบเสด็จหลายอาการของพระยาบาทจะหดท้ายลงไปตัดหางไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยใ น, นที่สุดพยาบาทด้วยความโกรธจะไม่เดือเลย เราก็จะเป็นคนมีความสุขตามพุทธภาษิตกล่าวว่าจิตเตอสังที่คดิตเถ ท, ทุกอสุกติปาทิกลางขาถ้าจิตใจของเราไม่เศรมองไม่ชีวิตอยู่ก็มีความสุขก็มีคนรักมากตายไปแล้วก็มีความสุขมีสวรรค์เป็นต้นดีไม่ดีก็ไปพรมเพราะพรมีฐานิเป็นที่อยู่ของผรมอรบรรดาแต่พุธธทธบริษัททั้นหลายเวลาหมดพอดีเขาต้องขอลากร เพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี